เดี๋ยวบรนนมมือขึ้นเลยนะมอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้าเลยนะข้าพระเจ้าววาตกะทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้ามอบตนถวายอุทิศแด่พระธรรม มอบตนถวายอุทิศแด่พระสงฆ์ขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิ ด, อ, ด, อ, ยดอย่างนี้เขาเรียกว่าอัตตะนะเขาเรียกว่าอัตตะสัญยาตะสารนาคมเรียกมอบอัตภาพข้าพเจ้าจะทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นถวายนั่นเองเป็นวันเริ่มต้น มอบตนถวายอุทิศแด่พระพุทธเจ้ามอบตนถวายอุทิศแด่พระธรรมมอบตนถวายอุทิศแด่พระสงฆ์ขอสงโรปรดจํำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้คําว่ามอบตนถวายอุทิศเนี่ยก็คือจักมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะเป็นที่จนกว่าจะถึงมีอัตภาพเป็นที่สุดรอดตราบใดยังมีอัตภาพยังมีร่างกายและมีจิตใจเป็นไปอยู่ตราบใดก็จะขอผูกพันกับพระรัตนไตรันี่แหละ จกไม่ยอมภาคใจตนเองออกจากพระพุทธเจ้าจะไม่สาไม่ภาคใจตัวเองออกจากพระธรรมและไม่ภาคจิตใจตัวเองออกจากพระสงฆ์นี่เขาเรียกว่ามอบตนถวายแด่พระรัตนตรัยทีนี้ในการมอบตนถวายแด่พระรัตนตรัยจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบใช่ไหมอันเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า มอบกายถวายชีวิตแดพ่พระรัตนตรยัยถามว่ามอบอย่างเดียวพอไหมต้องมีความรู้เข้าใจในพระรัตนตรัยด้วยไหมต้องมีต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยก็คือว่าจะต้องมีพุทธโอวาสอยู่ทุกเรื่องในกิจที่ทมในคำที่พูดเช่นเวลานั่งฟังธรรมเนี่ยนั่งอย่างไร ที่พุทธโอวาสบอกตลอดเวลาที่จะได้ประโยชน์จากการฟังพระธรรมในขณะนั้นใจก็น้อมเป็นไปกับพระรัตนตรยัยน้อมเป็นไปกับพุทธโอวาสก็มีพุทธโอวาสบอกตลอดเวลาว่าขณะนี้เป็นขณะที่ฟังพระธรรมจิตใจก็มีความตั้งมั่นเป็นไปตามพุทธโอวาตบอกไว้ว่าอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดก็ไม่ตาหนิไม่ดูหมิ่นผู้พูดก็วางใจเป็น ไม่ดูหมิ่นตนเองว่าตนเองนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเป็นต้นตั้งใจว่าเราจะฟังให้ดีที่สุดประคับประคองใจในการฟังให้ดีที่สุดหล่อหลอมจิตใจให้ดีที่สุดให้เป็นไปกับการฟังพระธรรมนั้นแล้วตั้งจิตไม่ปุ้งซ่านในขณะที่ฟังธรรมกระตุต้นคีด เป็นไปกับพระธรรมคําสอนเพื่อและในขณะเดียวกันขอให้ตนเองแทงตลอดพระธรรมคําสอนของพระบรมศา ส, สดาโดยง่ายโดยเร็วโดยสะดวกโดยพันด้วยทึ้ดก็ฟังไปก็ระลึกถึงพระธรรมคําสอนระลึกถึงพระราชนาตรัยประคับประคองใจตนเองอยู่เพราะตอนนั้นมีพุทธโอวาทกากับอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนเองตลอดเวลาในขณะที่ฟังพระธรรมอันนี้เครื่องมอบตอนไงอีกอย่างหนึ่ง คำว่าตัดป ร, รายนะสารณคมเนี่ยก็เตือการถึงสารณคมด้วยการมีพระเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมพระสงค์เนี่ยก็หมายความว่ามีพระรัตนาไตรเป็นหลักนําชีวิตเป็นที่พึ่งแล้วก็มีพารัตนาไตรมีพระเจ้าเป็นหลักนําชีวิตที่เขาเรียกว่าอัจชอาทิงกตวานอาหางพุทธสระปรายโนโหมี่เป็นต้นเลยเอังบณมมือว่าตามหน่อยหนึงอังหนโมหน่อย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 เป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้มีพระธรรมเป็นผู้มีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปในเบื้องเป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าเป็นไปในเบื้องหน้าขอท่านโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้เถิดขอท่านโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้เถิดอันนี้ก็เรียกว่าตปรายนาสารณคม การถึงพระพุทธเจ้าการถึงพระธรรมการถึงพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นหลักนำชีวิตเอาเป็นหลักนำชีวิตอย่างไรเหมือนคำว่าพุทธังธรนังขฉามีธรรมังธรนังขฉามีสังคังธรนังกฉามีนี่อันเดียวกันเนอะนี่แปลว่าเราสมาทานตั้งมั่นเพื่อมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเช่น อาราวะกะัยยักษ์อาราวะกัยยักษ์บอกว่าข้าพระเจ้านั้นจากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรสการความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการเบิกพืชปฏิบัติดีของพระสงฆ์อธิบายว่าข้าพระองค์นี้เชื่อแท้ในพระรัตนตรัยข้าพระองค์นี้เชื่อมั่นแท้ในพระรัตนตรัย เชื่อมั่นแท้ในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นแท้ในพระธรรมเชื่อมั่นแท้ในพระสงฆ์ถ้ามีกิจธุระเที่ยวไปจากบ้านนี้สู่เมืองนู้นจากเมืองนั้นสู่เมืองข้าพเจ้าจะผินหน้านามัสการความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่า แม้จะเดินไปทํากิจอะไรก็จะมีพุทธโอวาทํากับในเรื่องนั้นแม้กําลังจะทํากิจในฐานะเป็นลูกนะกำลังปฏิบัติต่อแม่ก็ที่บอกท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบก็ทํากิจตอนนั้นพุทธโอวาทก็อยู่ในใจตลอดก็มีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นไปเฉพาะหน้า กำลังทํากิจเหล่านั้นก็เป็นจารีสีเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลทําได้ถูกต้องด้วยแล้วจิตใจก็เป็นไปกับสุขสมนะนะชื่นใจที่ได้ปฏิบัติพุทธโอวาท ต, ตามพุทธโอวาทมีพุทธโอวาทเป็นไปในเบื้องหน้าทํากิจของท่านกวาดบ้านช่วยท่านดูแลท่านปฏิบัติท่านนวดเป็นให้ท่านนะดํารงวงตระกูล รักษาสืบทอดวงตระกูลทรัพย์สมบัติที่ท่านมีเบีดเสร็จก็สามารถดูแลแล้วก็ในขณะที่ทานั้นก็ทำไปด้วยจารีดได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปกับปลาโมดปีติเพราะได้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เมื่อท่านล่วงลับก็ทาบุญอุทิศ ทำรรกิจไม่บกพ้องเลยแม้ขณะทําไปก็เคารพพระรัตนตรัยเกิดในขณะที่กวาดบ้านหกลม้มหรือเป็นอะไรก็อุทานขอนามสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเห็นไหมทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรมไหมแบบเนี้ยแม้กวาดบ้านก็บอกนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพาะมีพพุทธเจ้าเป็นหลัก ทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะกำลังขัดเกาวนเองเพราะตนเองเป็นอุบาสิกาเพราะตนเองเป็นอุบาสกเข้าไปนั่งใกล้พระราตนะไตรมีพระราตนะไตรเป็นหลักนำชีวิตทำกิจตนเองก็ปฏิบัติทำในการให้ควรทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ใช่ทำเพื่ออยากได้หน้าไม่ใช่ทำเพื่อจำใจไม่ได้ทำเพื่อหน้าที่แต่ทำเพราะเห็นว่าพระธรรมเป็นธรรมดี เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมไหมเห็นว่าการทำอย่างนี้เดินตามร่องรอยของพุทธโอวาทเพราะสภาพจิตที่เป็นไปกับฉันทะอย่างแรงกล้าตอนนี้กำลังขัดเกลาร์นเองด้วยการเดินจารีสีนปฏิบัติอุปถากมรมดาบีดาแล้วเวลาจะให้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็น้อมเป็นทานกุศลเป็นเศษกุศลแล้วเอากุศลเหล่านั้นมาะลึก ให้เป็นภาวนากุศลสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดอันนี้มุมเดียวเนี่ยนะถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติในชีวิตจริงไหมปฏิบัติในชีวิตจริงนะเมื่อหลีกเล้นก็สามารถที่จะมานั่งสงบระลึกถึงจารีตศีลจารีตทานจารีตศีลตัวเองที่ทำมาแล้วก็พัฒนาสู่พระรัตนตรัย คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกิเลสในใจก็ลดลงเราเชื่อมโยงทําได้ทุกเรื่องไหมถ้าเชื่อมโยงทําไม่ได้ทุกเรื่องไม่สามารถบูรณาการถ้าทํารําสอนพระเจ้ามาใช้ได้ทุกเรื่องได้นั้นเขาเรียกว่ายังไม่เข้าใจพระธรรมหรือตอนเองไปตั้งท่าทีในการปฏิบัติที่ผิดพลาด ายาลีศีลไม่มีเลยแล้วขึ้นสู่วาลีประเพณีที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อญาตินิสปฏิบัติต่อลูกน้องและปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้ายังไม่ถูกแล้วเนี่ยแล้วตรงไหนคือการตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยแล้วเมื่อการตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่แข็งแรงแล้วจะพัฒนาสู่ศีลห้าอย่างไร แล้วจะพัฒนาสู่สมาธิและปัญญาที่ถูกต้องอย่างไรที่มากันครั้งนี้เนี่ยมาปราถนาอะไรดูกไม้มปราถนาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยในภายห้าวันหกวันเนี่ยตั้งสังคมใหม่ได้ไหมให้มีการปฏิบัติยึดโยงต่อกันที่เป็นการปฏิบัติธรรมทุกเรื่องเนียการพูด ก็มีสติสัมปชัญญะในการระลึกถึงพุทธโอวาทแล้วก็ปฏิบัติต่อกันให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าถือว่านั้นคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้ถือนอะนั้นคือการปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็มานั่งคุยคุยเบเสร็จแล้วก็เอาไปทําทำเบเสร็จก็หลีกเล้นเมื่อหลีกเล้นก็สามารถเอาสิ่งที่กระทำนั้นออกมาระลึกเป็นจารทานจารคะเป็นทรนเป็นจารคตเจตนา เป็นจาขานุสติเป็นสีลานุสติฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าตอนนั่งกรรมฐานคือการปฏิบัติธรรมเนะอะไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเนะทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาที่จะปฏิบัติต่อการเนี่ยหยิบยื่นอาหารให้กันเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นทานกุศลติดจิตคิดจะให้อันนั้นเป็นจาขะเจตนาเป็นเจตนาทานคิดจะสล วัตถุที่อยู่ในมือนั้นเป็นวัตถุทานแล้วให้ด้วยศรัทธาไหมเชื่อมั่นไหมในพระรัตนตรัยให้ด้วยความนอบน้อมไหมให้ด้วยความเคารพจิตเป็นไรกกุศลในการให้ไหมถูกการไหมของที่ให้หรือเป็นของที่ผิดโอกาสผิดบุคคลให้แล้วสลาขาดไหมไม่ได้มีหวังผลอะไรตอบแทนในทางด้านกิเลสใดๆได้น้าได้ตาเป็นต้น แล้วกระทบตนและบุคคลอื่นไหมกระทบก่อนให้ดีใจขณะให้เลื่อมใสให้แล้วปลื้มใจไหมเห็นไหมว่าเราปฏิบัติต่อกันเนี่ยแม้แต่ทํากิจต่างๆจะทํำยังไงถ้าเราปฏิบัติตามพุทธโอวาที่เข้าถึงภรรารตะนัตไตรจริงๆแล้วเนี่ยแม้ภรรยาปฏิบัติต่อสามีก็คือปฏิบัติทำหลีกเล้นออกมาก็ามาเจริญกรรมาฐานยังไงสวดมนต์ยังไงเจริญกรรมาฐานการปฏิบัติมันเป็นชีวิตจริงนะ นั้นสิ่งต่างๆตรงนี้คือว่าในสาวัตถีที่แฟนโกศลตัวเมืองสาวัตถีมีประชากรเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านนีเป็นผ้าริยะห้าสิบล้านห้าแสนคนต้องจำลองภาพบ อ, อกมาว่าสังคมเป็นแบบนี้ถามเมื่อเป็นผ้าริยะเนี่ยเขาปฏิบัติ ในด้านของจารีสีนเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกได้ถูกเขาเป็นถือเป็นการปฏิบัติธรรมกันนะปฏิบัติต่ออาจารย์เป็นทานกุศลสินกุศลภาวนากุศลอย่างไรอาจารย์ปฏิบัติต่อสิทธ์เป็นทานเป็นสีนอย่างไรเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนเป็นทานเป็นศีนอย่างไงแล้วก็ผู้ตายบังคับบัญชาปฏิบัติต่อลูกน้องตนเองลูกน้องปฏิบัติต่อหัวหน้า เป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลอย่างไงแล้วปฏิบัติต่อสาวกของพระเจ้าพระริเจ้าเนี่ยเป็นไปด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามาโนกรรมยังไงมันเป็นหลักปฏิบัติของพระอริยชนก็อยู่กันนะแล้วสังคมที่เราอยู่อย่างนี้ห้าสิบคนหกสคนเนี่ยลองปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมนะให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะมันถึงจะเป็นสภาพเป็นการปฏิบัติธรรมสังคมนั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ไม่ใช่นั่งตรงนี้เบีเสร็จปุ๊บพอลุกจากตรงนี้ไปเบีเสร็จการปฏิบัติธรรมมันหายการพูดจาก็เอาก็ไม่ได้เป็นไปกับล่อง้อยพระธรรมนิพนิพาสแล้วนะการตักตาหารการเดินการเข้าห้องน้ำพระเจาสอนทุกเรื่องใช่ไหมก้าวไปถอยกลับวางใจยังไงกู้เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวเืินเดินด น, นอนตื่นหลับพูดนิ่งกินดื่นเคี้ยวลิ้ม ถ่ายอุจลาะปัสวะสะใช้ผ้าถือภาชนะพระเจ้าสอนทุกเรื่องนะว่าถ้าปฏิบัติตามพุทธโอวาสมันคือการปฏิบัติธรรมอย่างไรทำได้ไหมสภาพสังคมแบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันสี่วันห้าว <void juvenile> ันเนี่ยหกวันเจ็ดว so ันเนี่ยทำให้เป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นถ้ายังทาไม่ได้ก็มานั่งสอบถาม ถามเบ็ดเสร็จก็ไป น, นั่งไปทําฝึกให้มันเกิดขึ้นมากระตุน้นฉันท้าวิริยะจิตตาและปัญญาขึ้นมาให้เป็นการปฏิบัติมาทั้งเนื้อทั้งตัวทําให้เป็นลูกทําให้เป็นหลักการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพักๆเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้พักมันไม่ได้แม้แต่การนิ่งแม้แต่การนอนเนี่ยก็คือการ กำหนดยังไงใครควรยังไงมันเป็นอันนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจก็สอบถามมันอาจจะไม่ค่อยทันนะเวลากระชั้นชิดเนี่ยแต่ว่าถ้าทำสภาพอย่างนี้ได้เน่ะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมเป็นการปฏิบททัติธรรมทีนี้ ตรงนี้ที่พูดตรงเนี้ยประเด็นก็คือว่าแม้แตการกินอาหารพระเจ้าสอนอยังไงแต่คําว่าโพชเนมันตันยูตาแล้วเห็นไหมการรู้จักการเอาอาหารเข้าสู่ร่างกายให้เพียงพอต่ออัตภาพเพื่อให้อัตภาพนั้นเกิดความคล่องความเบาความโปร่งในการที่จะเดินทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเห็นไหมทั้งหมดนี้คือข้อมูลนะ ถ้าเราไม่รู้เรื่องตรงนี้เราก็กินแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเบ็ดเสร็จนะข้าก็มานั่งหลับฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดการเดินในกุศลธรรมก็ไม่เกิดซึ่งเราจะเห็นเต็มไปหมดนะว่ารูปแบบที่ไปจัดการอบรมเนี่ยมันได้แค่รูปแบบเนี่ยเยอะใช่ไหมเล่าแล้วเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติคือนั่งสมาธิอย่างเดียวนะออกจากสมาธิ กูสลไม่เดินเป็นอะไรเดีนี้เดินไม่ได้แล้วติดขัดแล้วก็เป็นชีวิตเก่าเรานั่นเองอาจจะยากนิดนึงนะยากไหมก็ก็ต้องการต้องต้องการที่จะทำให้ได้นะหกสิบคนจะได้สักสิบคนก็สูงสุดแล้วสมมติเออเขถือว่าได้ได้แบบที่ถูกต้องแล้วตรงเนี้ยอ๋อจำลองภาพให้เห็นนางวิสาขา หรือท่านหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของพาลทวาชาพรามสามีเป็นมิจฉาทิฐิแต่ตนเองเป็นอุบาสิกาในพระรัตนตรัยทํากิจปฏิบัติปฏิบัติการงานดีปฏิบัติการงานในบ้านอย่างเรียบร้อยและในการปฏิบัติไปเธอปฏิบัติตามอะไรตามพุทธโอวาใจของเธอก็ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในขณะที่กวาดบ้านถูบ้านไปเธอ เธอเข้าใจจารีสีน์ประพฤติปฏิบัติไปจิตก็ผ่องใสตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเกิดหกล้มเธอก็อุทานวันนัโมพุทธัสัจขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคย้าทุกครั้งสามีก็อึดอัดเห็นไหมถ้าเธอทําและเธอปฏิบัติตัดปฏิบัติคนข้างเคียงของสามีก็ดีญาติมิตรของสามีมาปฏิบัติคือเบื่อแย่ดูแลเปเสร็จแต่ถ้าเกิด หกล้มหรือทำอะไรผิดพลาดเธอก็จะอุทานว่านะโมพุทธสังขอนอบน้อมแด่พุทธเจ้าและไม่นอกใจเธอไม่เคยประพฤตินอกใจดอกพามณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะแต่พานที่เป็นแต่พาน น, านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะประพฤติปริบัตินวดเป็นดูแล้วใจใส่อย่างดีแต่เธอทําอย่างนั้นเพราะเธอตั้งมั่นในจารีตศีลแล้วก็เกิดความผ่องใสในการที่เจุดนะประการต่อมาก็คือว่า จัดการงานดีแล้วก็ขยันไม่เกียจค้านในกิจการทั้งปวงเธอรับผิดชอบงานในบ้านทำเลยขยันเป็นสุดทีนี้สามีของเธอเนี่ยนับถือพระที่เป็นพวกกุมอเจรากาศก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจากนิมนต์พระของตนเองเข้ามาในบ้านเนี่ยห้าร้อยแต่ขอร้องว่าถ้าวันที่พระของของฉันขึ้นมาเนี่ย เธออยากได้ร้องเรียกชื่อของพระพุทธเจ้าได้ไหมเธอบอกว่าไงรู้ไหมที่ฉันปฏิบัติต่อต่อคุณเนี่ยต่อพ่อเนี่ยจัดการงานดีส่งเคาะคนข้างเคียงของสามีดีทุกอย่างไม่นอกใจไม่ดูหมิน่นแล้วก็ขยันในกิจการทั้งปวงทั้งสิ้นก็เพราะพระพุทธเจ้า ก็เพราะการปฏิบัติเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะการตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตนตนเองจึงเป็นคนดีอย่างนี้แล้วจิตใจของ ข, ของข้าพเจ้าของดิฉันเนี่ยตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเสียแล้วที่ทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะพระรัตนตรยัยและตนเองเนี่ยกับพระรัตนตรยัยกับชีวิตของตอนเองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแล้วพระรัตนตรัยสําคัญกว่าชีวิต สำคัญกว่าอวัยวะสำคัญกว่าทรัพย์สำคัญกว่าญาติมิตรแต่ตนเองปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นเพราะพุทธโอวาทฝังแน่นในใจของตนเองอย่างนี้จะให้ถอนว่าไม่ให้ตนเองร้องเรียกพันนามของพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เห็นไห่หลักการไม่เปลี่ยนถึงแม้ชีวิตจะหมกไหมไปไม่กลัวนี่คือความตั้งมั่นแล้วปฏิบัติการงานดีส่งค้อคนข้างเคียงของขว ของสามีดีด้วยไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจด้วยแล้วก็ขยันในกิจการทั้งพวงแต่ทำไปเพราะเข้าใจคำว่าจารีตศีลประเพณีของอริยะวงวงของอริยะเขาปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วตนเองก็มีความเชื่อมั่นในพระธรรมแล้วในขณะที่ปฏิบัติไปพระธรรมก็ทราบซึมในจิตใจมีความปลาโม่มีความปีติในการทาด้วยอันนี้แปลว่าเข้าใจอย่างเดียวพอไหม ต้องเข้าถึงด้วยไหมเข้าถึงแล้วเจริญในใจเพิ่มเธอด้วยอย่างเราฟังอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมสามารถจะเข้าถึงความสุขได้ไหมในขณะที่ปฏิบัติพระธรรมอย่างนี้ <t ip> แล้วสามารถเอามาละลึกเมื่อไหร่ก็เกิดสมาธิที่ตั้งมั่นได้ไหม <t ip> ถ้าอย่างนี้เขาเข้าใจด้วยฟังรู้เข้าใจด้วยมันเข้าถึงด้วยสามารถพัฒนาสู่จิตใจของเรเองเลย ให้สัมผัสตัวเนื้อแท้ของศีลได้ด้วยมีความเชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในพระธรรมตรัยด้วยไม่หวั่นไหวตัวอุปสรรคด้วยในขณะที่ทำหน้าที่การงา น, นและหลักการไม่เสียด้วยถามบอกว่าตนเองปฏิบัติไม่เคยบกพร่องเลยนะพ่อแต่ทำไมพ่อต้องมาถอดหลักการในใจของตนเองออกซึ่งมันถอดไม่ได้แล้วถ้าถอดออกก็แปลว่าตนเองก็ไม่ปฏิบัติการงาน ไม่ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีไม่ทำหน้าที่ของภรรยาในฐานะที่สงเคราะหขยันในกิจการทั้งปวงไม่ดูแลสามีที่ดีเพราะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรรตนาตรายพ่อเข้าใจไหมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถ้าพ่อจะให้ดิฉันเนี่ยถอดถอดพรรตนาตรายถอดผูเจ้าทิ้งก็คือถอดว่าไม่ให้ฉันปฏิบัติหน้าที่นี้ฉันทําไม่ได้แล้ว เข้าใจคำนี้ไหมเล่านี่ไงคือการปฏิบัติธรรมสามีโอหลักการไม่ไหวแล้วหลักการหลักการเธอตั้งมั่นในประรัตนาตรัยแล้วก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่พยายามห้ามใจหน่อยให้เห็นแกนหน้าแก่ตากันบ้าที่สุดจริงๆก็นิมนต์พระอจิรกะมาเธอเกิดล้มนะวันนี้ล้มแล้วขาเนี่ยมีปัญหาด้วย เธอก็หันหน้าไปทางเชตวันปนมือแล้วก็นอบน้อมเต็มรูปแบบเลยขอนอบน้อมนะโมตัสสามมกวัาตัวละโทวนอบน้อม พ, พวกนักบวชนอกศาสนาก็พากันลงบ้านหมดโกรธมาก